ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสําหรับคืนนี้ก็มาเริ่มปฏิบัติเนื่องในโสดาปฏิมร์หรือว่าปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาปฏิมร์ <c oughs> การเจริญเป็กรรมฐานนี้พระพุทธเจ้ามีความต้องการให้ผู้ปฏิบัติทุกท่านเข้าถึงอริยมรรคอริยผลถ้าเราจะปฏิบัติกันแบบเลื่อนลอย ก็มีความสุขเหมือนกันแต่มีความสุขไม่จริงที่จะปฏิบัติปฏิบัติกันให้ถึงความสุขจริงๆก็จะต้องมีจุดใดจุดหนึ่งเป็นเครื่องเข้าถึงจึงจะใช้ได้ในอันดับแรกนี้องค์สมเด็จตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงต้องการผลอันดับตนคือพระโสดาปฏิมร์หรือว่าพระโสดาปฏิผล หรือที่เราเรียกกันว่าพระโสดาบันก่อนที่ท่านหลาหลจะปรึกษาอย่าศึกษาอย่างอื่นก็โปรดทราบว่าสำหรับพระโสดาบันนี้ละสงโยตได้สามประการคือหนึ่งส ก, กายทิฐิตัวนี้มีปัญญาเพียงเล็กน้อยเพียงแค่มีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายเท่านั้น เป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตคิดอยู่เสมอว่าความตายเป็นธรรมดาของชีวิตเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงความตายให้คนได้และความตายนี้จะปรากฏขึ้นกับเราเมื่อไรก็ไม่แน่นอนนะักจะเชื่อว่าตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายกลางคืนตายกลางวัน <c oughs> อย่างนี้ก็ไม่มีความแน่นอน เพราะว่าความตายไม่มีนิมิตความตายไม่มีเครื่องหมายแต่ถึงกอะไรก็ดีเราก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงให้พ้นจากความตายไปได้นี่สำหรับข้อวัสะกายทิฐิเรียนว่าร่างกายคือทันห้าไดเกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรานิยมเรียกกันว่าร่างกาย กระสุนดาบรรมีชีพความรู้สึกคือว่ามีปัญญาเพียงเล็กน้อยรู้แค่ตายเท่านั้นยังไม่สามารถจะจาแนกแจกแยกร่างกายว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราได้ความรู้สึกของกระสุนดาบรรยังมีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราทรัพย์สินทั้งหลายยังเป็นเราเป็นของเรา เป็นอนุว่าแต่ถ้าว่ามีความรู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายที่เป็นของเรานี้ทั้งหมดเมื่อเราตายแล้วเราก็ไม่มีจิตที่เข้าจะเข้ามาสองครองหรือถ้าว่าเรายังไม่ตายจากฟันหนึ่งข้างหน้ามันก็ต้องสลายตัวไปนี่ในข้อว่าสกายติฐิพโซดาบัญคิดได้เพียงเท่านี้ ยังไม่สามารถจะแยกกายทิ้งไปได้ทันทีทันใดองค์สมเด็จพระจอมไตรยจึงกลององ่าวว่าพระโสดาบันมีปัญญาเล็กน้อยนี่ก็ดีสองวิจิตรชาพระโสดาบันไม่สงสัยในคําสั่งและคําสอนขององค์สมญญเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคําว่าคําสั่งก็ได้แต่ศีล คำสอนก็ได้เกิดจรยยาอันหนึ่งที่เราเรียกกันว่าธรรมะเป็นความประพฤติดีประพฤติชอบศีลพระพุทธเจ้าสั่งให้ละหมายความว่าละตามสิทธิขาบทที่กำหนดไว้ให้คำสอนทรงแนะนำว่าจงทำอย่างนี้จะมีความสุข นี่ทั้งคำสั่งก็ดีทั้งคำสอนก็นดีพระโสนาบันมีความเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรยัยคือเชื่อพระพุทธเจ้าในการเชื่อนี่ก็ใช้ปัญญาพิจารณาก่อนไม่ใช่ศักต์แต่ว่าเชื่อนี่สำหรับสังโยชน์ข้อที่สศีรพตาปรมา m a พระอาศัยที่พระโสนาบันมีความเคารพในพระพุทธเจ้า มีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์ด้วยพระพุทธเจ้าทรงแนะนำบรรดาพระสงฆ์ว่าจงนาธรรมนี้ไปสอนพระสงฆ์ก็ไปสอนพระโสนาบันใช้ปัญญาเล็กน้อยมีความเข้าใจดียินยอมรับนั่ถือคำสั่งและคาสอนขององค์สมเด็จระชิาสีที่พระพุทธเจ้าทรงตัดมาและพระสงฆ์นามาแสดง อาศัยมีศรัทธาในรัตนตรัยทั้งสามรายการนี้พระโสนาบันจึงเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นอนุวาพระโสนาบันถ้าเราจะไปพิจรารณากันจริงๆก็ไม่เห็นมีอะไรสำคัญมีสภาวะเหมือนชาวบ้านชั้นดีนั่นเองนี่เรามากล่าวกันถึงองค์ของพระโสนาบัน ท่านที่เป็นประโสดาบันจริงๆนะมีอารมณ์ใจคําว่าองค์นี้หมายความอารมณ์ที่ฝังอยู่ในใจอารมณ์ใจเขาไม่เโสดาบันจริงๆก็คือหนึ่งมีความเคารพในพระพุทธเจา้าสองมีความเคารพในพระธรรมสามมีความเคารพในพระสงฆ์สี่มีศีลห้าบริสุทธิ์ อันนี้ก็ตรงกับพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจินทร์สีตัดว่าพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีเป็นผู้มีอาทิตย์ศีลสาหรับกิเลสส่วนอื่นจะเห็นได้ว่าพระโสดาบันยังมีกิเลสทุกอย่างตามที่เราเกล่าวกันคือโลภความโลภลุราคะความรักโทสะความโกรธโมหะความหลงแต่ว่ารักก็รัก อยากรวยก็อยากรวยรดก็โกรธหลงก็หลงแต่ไม่ลืมความตายคำที่ว่าหลงก็เพราะว่าพระโสนาบันยังต้องการความร่ำรวยด้วยสัมมาอาชีวะพระโสนาบันยังต้องการความสวยสดงดงามต้องการมีคู่ครองอยางนางวิสาขามาหาอุบาสิกาก็ดี ปัญญาของกุกุกกกตมิตรพรามก็ดีตั้งสองท่านนี้เป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดปีแต่ในที่สุดท่านก็แต่งงานมีเครื่องประดับประดาสวยงาม <c oughs> <c oughs> เว้นอันว่ากิเลส ท, ที่เราต้องการกันใน ก, การครองคู่ระหว่างเพศพระโสดาบันยังมีและก็ยังมีครบถ้วนแต่ว่าอยู่ในขอบเขตของศีล ไม่ทำาการเมรยียสมิชาจารไม่ละเมิดความรักเขาบกคนอื่นโดยทำให้ผิดประเพณีหรือกฎหมายของบ้านเมืองเลือเป็นไปตามศีลทุกอย่างคือรักอยู่ในคู่ตัวผัวเมยียตามปกตินี่คอบเคข้าว่มโซนาบันเมยียงเท่านี้นี่ความต้องการรวยด้วยสัมมาชีวะ พระโสดาบันยังประกอบอาชีพแต่ไม่คดไม่โกงไม่ยื้ไม่แย่งใครเท่านั้นหามาได้ไม่จะ ร, ร่ํารวยแสนจะ ร, ร่ารวยก็ได้มาด้วยการบริสุทธิ์ไม่คดไม่โกงเขาพระโสดาบันยังมีความโกรธให้โกรธนะโกรธได้แต่ว่าพระโสดาบันยังไม่่าดใครเกรงว่าสินจะขาด พระโสดาบันยังมีความหลงแต่หลงไม่เลยความตายยังมีความรู้สึกว่าต้องการชีวิตชีวิตก็เรามีอยู่ต้องการทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นยังไงยังไงเราก็ตายแน่การที่จะหลีกเลี่ยงให้พ้นจากความตายไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เป็นอันว่าถ้าเราพิจารณากันจริงๆ ความเป็นวโสดาบันนี้รู้สึกว่าไม่ยากสำหรับในวันนี้ก็จะขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทให้พยายามใคร่ครวนถึงความตายเป็นสำคัญเรื่องความตายนี้ก็ดีการควบคุมอารมณ์จิตให้ปราศจากความฟุ้งซ่านก็ดีควรจะทำเป็นปกติ <c oughs> ถ้าวันใดถ้าเราเผลอจะ ก, การควบคุมอารมณ์จิตให้หระงับจากการพุ่งสั้นก็ดีวันใดถ้าเราเผลอไปลืมนึกถึงความตายก็ดีก็จงบรงน n ามตนเองว่าเรานี่เลวเต็มทีแล้วเพราะว่าองค์สมเด็จพระบพิตแก้วสอนตามความเป็นจริง ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านหลายจะพิจรารณาเห็นได้ว่าคนทุกกระสัตรทุกอย่างทั้งคนและสัตว์ที่เกิดมาตายให้เราดูเป็นตัวอย่างด <c oughs> ังนั้นเรื่องความตายนี้ไม่จำเป็นต้องศึกษาละเอียดเห็นกันอยู่แล้วทุกคนแต่ว่าคนส่วนใหญ่ลืมคิดว่าตัวเองจะตาย เคยไปในงานศพของชาว บ, บ้านแต่ไม่ได้เคยคิดว่าเราจะเป็นศพอย่างชาว บ, บ้านที่เขาตายกันนี่เราประมายกันอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินทร์สียุนิทรงแนะนำว่าจงนึกถึงความตายเป็นอารมณ์อย่าประมาทในชีวิตคิดว่าเราจะไม่ตายนี่เป็นความคิดผิด เรื่องความนึกถึงการ น, นึกถึงความตายเป็นอารมณ์นี้เป็นความดีเป็นปัจจัยสําคัญให้เข้าถึงความเป็นปะโสดาบันไดง่าย <c oughs> จะยกตัวอย่างบุคคลที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรแล้วก็มีความเคารพในคําสั่งและคําสอนขององค์สมเด็จโตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระจอมไตรหรือว่าพระพุทธเจ้าองค์เดียวกัน นั่นก็คือเปรษการีทิดาเปรษการีทิดานี่เธออยู่ที่เมืองอารวีวันหนึ่งองค์สมเด็จพระชินาสีทรงเสด็จทัพสํารานอิธิยาบทอยู่ในเวคันเทกุณดีมหาวิหาร <c oughs> ในตอนเชา้าองค์สมเด็จพระวิชิมารทรงเสด็จไปแต่พระองค์เดียวไม่มีใครติดตาม ไปสู่เขตของเมืองอาราวีองสมเนจพจนสีถือต่อไม้เป็นธรรมะมที่ประทับประทับยับยังอยู่ตรงนั้นชาวบ้านในฟังข่าวเข้าก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้านำพัตตาหารมาถวายขณะ น, นั้นเปสการีพิดาคือลูกสาวของนายช่างหกเปสการีแปลวันช่างหกทิ่ดาแปลว่าลูกสาว ทราบข่าวก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากับเขาเหมือนกันเมื่อเข้าไปแล้วถาวายแด่อาหารในองค์สมเด็จพระพระุทธกัลเสร็จหลังจากนั้นพระผู้เฒ่าพรผูร้มีพระภาคเจ้าก็ทรงเทศทรงเทศแบบสั้นๆว่าท่านหลายจงอย่าประมาทในชีวิตเพราะว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยง ขอทุกท่านจงคิดไว้เสมอว่าอย่างไรก็ดีเราก็ต้องตายแน่กำหนดเวลาการตายของเราไม่มีแน่นอนเพราะความตายไม่มีนิมิตเครื่องหมายท่านทั้หลายจงประกอบกรรมแต่ความดีเข้าไว้แต่ใครสร้างความชั่วตายแล้วจะไปส่วนไายภมูมินรกเป็นต้นเกิดมาเป็นคนก็จะมีแต่ความ ร, าร้อนร้อนมีแต่ความลาบาก แล่วคนใดสร้างความดีคิดถึงความตายไม่ประมาทในชีวิตคิดไว้เสมอว่าเราต้องตายแน่จงอย่าหาเวลาว่าวันพุ่งนี้เ ด, นเดือนหน้าปีหน้าเดือนโ น, น้นเราจรึงจะตายคิดไว้เสมอว่าวันนี้เราอาจจะตายแล้วก็สร้างความดีเข้าไว้ความดีจะส่งผลให้ท่านมีความสุขทั้งในปัจจุบันและสัมภาระครบ องค์สมเด็จพระนราศพเทศเท่านี้องค์สมเด็จพระมหามุนีก็สเสด็จกลับเวลาที่พระพุทธเจ้ากลับปรายกษว่าชาวบ้านก็กลับบรรดาชาวบ้านทั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้าไปแล้วเทศที่พระพุทธเจ้าสอนก็ตามพระพุทธเจ้าไปด้วยถือไม่ตามพระพุทธเจ้าไป เม่ไม่ตามชาวบ้านไปที่บ้านตามพระพุทธเจ้ากับปิหารคือชาวบ้านไม่สนใจได้ว่าสาวน้อยกรอยใจคือเปสการีธิดาเธอสนใจในคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุทุกวันทุกคืนเธอนึกถึงวงหน้าขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชตเพรามีดวงหน้าสวยงามคล้ายดวงจันทร์ พระสุรเสียงองค์สมเด็จพระพเกวันก็แจ่มใสไพเราะลีลายการสแสดงวัรรมเทศนาก็น่าฟังเป็นที่ชื่นใจเธอจําจไม่ได้เสมอว่าองค์สมเด็จพระบ ร, รมศาสดาพระองค์ทรงสอนว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงท่า น, นหลายจงอย่าประมาทในชีวิตจงคิดแต่สร้างความดีไว้เสมอ และเธอก็ทําความดีทุกอย่างตามที่บิดามารดาและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําการแนะนําในคราวนั้นก็มีสินห้าเป็นสําคัญเธอนึกถึงพระพุทธเจ้าทุกวันจัดเป็นมรรนาเป็นพุทธานุสติกรรมฐานแบบที่เราภาวนาว่าพุทโธเธอนึกถึงความตายเป็นอารมณ์จัดเป็นมรณานุสติกรรมฐาน เธอไม่ประมาทในการประกอบกรรมทำกุศลสร้างสิ่งที่เป็นมงคลไว้ตลอดชีวิตชื่อว่ามีจิตเข้าถึงธรรมไม่สงสัยในคำสั่งสอนข อ, ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเมื่ออารมณ์จิตของเธอดีอย่างนี้มีอารมณ์ผ่องใสวันทั้งวันนึกถึงความตายแต่ก็ไม่เศร้าหมองคิดว่าเวลานี้แม่ของเราก็ตายไปแล้วเหลือแต่พ่อ สักว่าหนึ่งพ่อคนดีเราก็ดีก็จะต้องตายแต่ก่อนที่เราจะตายเราเป็นคนก็ควรจะเป็นคนดีเวลาเป็นผีก็ควรจะเป็นผีดีคือผีที่มีความสุขไม่ใช่ผีนอบายภูมิเออคิดอย่างนี้จนเป็นอัคคตารมทุกวันนึกถึงความตายทุกวันนึกถึงวงพักพระองค์สมเด็จพระจอมไตรทุกวันคิดถึง พระสุรเสียงในองค์สมเด็จพระสู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสขึ้นใจจับใจเป็นเอกขตารมเวลานั่นวันที่พระพุทธเจ้าทรงเทศครั้งแรกเธอมีอายุได้ติดสามปีต่อมาเมื่อเธออายุย่างก็สิบกปีองค์สมเด็ดพจพินาสีทรงตรวจอุปฏิสัยของสัตว์ในเวลาเช้ามืดเห็นนางตกอยู่ในข่ายพระญาณก็ตกใจ ว่านี่เรื่องอะไรก็ทรงทราบโดยอํานาจพย า, ยานว่าในตอนสายวันนี้คุณสตรีคนนี้จะต้องถึงกับความตายด้วยปฏิเหตุองค์สมเด็จพระบรมโลกเกชเชต จ, จึงได้ดพิจารณาว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอจะมีคติแน่นอนไหมองค์สมเด็จไปจอมไตรทรสงทราบว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอมีคติไม่แน่นอน คำว่าคติปราการไปแน่นอนหรือไม่แน่นอนก็หมายความว่าท่านแน่นอนก็ไม่ไปทุกขติไม่เกิดเป็นสนัมโนกไม่เกิดเป็นเปรต เ, เป็นอสุรกายสัตว์เดชานต้องเกิดเป็นคนหรือเป็นเทวดาหรือพรมปนิพันธ์อย่างนี้เชื่อว่ามีคติแน่นอนองสมเด็จไปชินวาร์จึงได้คิดว่าถ้าเราจะช่วยเธอเธอมีกจะมีคติแน่นอนไหมก็สงสัยว่า ถ้าทรงช่วยจะมีคติแน่นอนแล้วพิจารณาต่อไปว่าจะช่วยเธออย่างไงจิงจะมีคติแน่นอนองค์สมเด็จพระชินวัมนวรน์ก็ทรงทราบว่าถ้าเราถามปัญหาเธอสี่ข้อเธอตอบเราให้สาธุการรับรองพอจบคาถาสี่ข้อเธอก็จะเป็นลุกกสดาบันการตายคราวนั้นของเธอก็อจะไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิต เป็นที่อยู่อันเป็นบรรมสุขยานั่นในตอนเช้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระพาเจ้าไม่ชวนใครไปองค์เดียวไปนั่งอยู่ในที่เดิมหลังจากนั้นแล้วคนมาเฝ้าขอเล่าลัดลดทกินดาของลูกสาวขนายช่างหกทางานเสร็จตัดสินใจมาเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนองค์สมเด็จพระจินนรจึงได้สง มองดูหน้าเธอเมื่อตาสบกันเธอก็ทราบว่าองค์สมเด็จพระพักตวันต้องการให้เข้าไปใกล้เธอเข้าไปแล้วองค์สมเด็จไปจอมใจจึงได้ถามคาถาถามปัญหาสี่ข้อว่าเธอมาจากไหนเธอตอบว่าไม่ทราบไปเจ้าค่ะถามว่าเธอจะไปไหนเธอตอบว่าไม่ทราบไปเจ้าค่ะ องทรงถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบไปเอาค่ะทรงถามว่าเธอทราบหรือก็ตอบว่าไม่ทราบไปเอาค่ะวัญหาสี่ข้อนี้ข้อที่หนึ่งที่ถามว่าเธอมาจากไหนนางตอบว่าอาศัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรถามว่ามาก่อนจะเกิดมาแต่ไหนเธอไม่ทราบข้อที่สองถามว่าเพอไปไหนเธอตอบว่าตายแล้วไปไหนหม่อมฉันก็ไม่ทราบ ท่า น, นถามว่าไม่ทราบหรือเธอตอบเบอร์ทราบว่ายังไงไงก็ตายแน่ไปเจ้าข่าแล้วท่านพระองค์พูดทีเจ้าถามว่าเธอทราบหรือเธอก็ตอบว่าไม่ทราบเพราะเพราะว่าจะตายเวลาเช้าเวลาสายเวลาบ่ายเวลาเที่ยงก็ไม่ทราบไปเจ้าข่าแล้วไม่ทราบอาการตายยังไงไงก็ตายแน่พระพุทธเจ้าก็รับรองในสาทุกการ เพียงถามเพียงเท่านี้ความมั่นใจของเธอทำให้เธอเป็นประโสดาบันแต่ความจริงในตอนต้นนั้นเธอเข้าถึงประสูดาปฏิมักอยู่แล้วอือหนึ่งนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ไม่ประมาทในชีวิตในข้อว่าส ก, กายญาติฐิเธอเข้าถึงแล้วในเบื้องตน้น ก็ดีสองเธอนึกถึงองค์สมเด็จพระทศพนบรมศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ทุกวันจัดว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานนึกก็ดีสามองค์นางปฏิบัตินึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระชินวรส่งสอนไว้เสมอว่าชีวิตไม่ของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงเธอทั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิต ก็ดที่สีทําใดทีด่องค์สมเด็จพระป ร, รมสามิตรมีสินห้าเป็นต้นที่องค์สมเด็จปทศพลทรงสอนไว้เธอจําได้ทุกอย่างและปฏิบัติทุกอย่างอย่างนี้ถ้าจะกล่าวกันไปก็เชื่อว่าเธอเป็นประสูตดาปฏิมรักแล้วแต่ว่าอารมณ์จิตยังไม่มั่นคงต่อมาเมื่อองค์สมเด็จประ ส, มรสัมมาสมุทัยเจ้าทรงสเสด็จมาสนับสนุนอีกวาระหนึ่ง เธอมีความมั่นคงในความรู้สึกจิตก็มีความมั่นในคุณพระรัตนตรยัยมั่นในความไม่ตายคิดในความตายคิดว่าจะตายเมื่อไร่ก็เชิญมันตายแน่มั่นในศีลนิทอ น, นักษาแล้วก็มีศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในละมัน่นในพระธรรมคําสั่งสอนอย่างนิลาวันดาทานังหลาย องสมเนตไปชินวรนกล่าวว่าท่านผู้นั้นเป็นประโสดาบันเป็นอันว่าท่านพุทธบริษัททุกท่านการเวลาที่เราจะแนะนำกันในวันนี้ก็รู้สึกว่าจะหมดเวลาเสียแล้วเท่าที่พูดมาแล้วนี้ทั้งหมดเป็นปฏิปทาที่เราจะปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นประโสดาบัน ท่านนั้นหลายมีความรู้สึกไม่ยากไหมแต่ยากก็ค่อยคคิดค่อยคทําไ ป, ไปดูตัวอย่างเปสการีที่ดาเป็นตัวอย่างว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรท่านยิงกล่าวว่าเธอเป็นปะโสดาบันย้อนหลังไปสักนิดเธอนไม่ถึงความตายเป็นอารมณ์ไม่ประมาทในชีวิต แล้วก็ต่อไปเธอนึกถึงวงพักพรองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมสาชัดาคือมีความเคารพในพระพุทธเจา้านึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นธรรมดาเป็นเอกขัตตารมอารมณ์ทรงตัวแล้วเธอก็ปฏิบัติตามกระแสรสัสดธรรมเทศนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมีปฏิบัติชินโดยเคร่งครัดเป็นตน้นอย่างนี้องค์สมเด็จพระทศพล ยอมรับนับถือ ว, ว่าเธอเป็นพระโสดาบันเข้าใจว่าท่านหลายผู้รับฟังรับคําสอนคนจะเห็นว่าคําสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสในตอนนี้เป็นของไม่หนักและก็ยังเป็นของไม่ยากสําหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วขอบรรดาท่านพุทธบริษัทพยายามทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิ จะนั่งก็ได้จะยืนก็นได้จะเดินก็นได้จะนอนก็นได้ให้จิตใจทรงอารมณ์ตามคำสั่งและคำสอนที่กล่าวมาแล้วตอนต้นจนอาวาสานชอบใจตรงนั้ น, นทนาําตรงนั้นให้คงตัวและผลที่ท่านหลายจะพึงได้นั่นก็คือความเป็นประสูตรดาบันและต่อที่นี้ไปข้ามรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน พยายามทรงอารมณ์ว่าตั้งไว้ในความดีตามอัติยาสัยจึงกว่าจะได้เวลาที่ท่านพึงปรารถนา